หลวงปู่สันที่หนึ่งคือพระธรรมารสันปตเจ้าหลวงปู่ันที่สองคือพระปฏิกหลวงปู่สันที่สามคือหมกขล่าสารวุฒิริยะเจ้าทั้งหลายมีสมหากัตปะปนท่านยะปปาภระยะสังฆตการหลวงปู่ต่อลงมาอีกวันพระอาณาธรมี หลวงปู่ตอลงมาอีกเป็นพระสคัธาข้ามี่หลวงปู่ตอลงมาอีกนั้นพระสวสดาบัณฑหลวงปู่ตอลงมาอีกนั้นบรรดาพระเทระหเทระอย่ในประเทศไทยต่หาม่าท่านไดคุกตีปโ น, โนหลวงปู่ห่หอ้อวยสุดท้ายคิมุระคิมะเฮง มทัทธรายเพ็่นโทมสิมอาจารย์สันที่หนึ่งคือพระสมานพระโพธิเจ้าอาจารย์สันที่สองคือพระัจเจศอาจารย์สันที่สามคืออรหันต์ตาชีนาศทั้งเพจยิงและเพจท้าย อาจารย์ที่สี่คือพระอานาคขามีตั้งเพศหญิงและเพศชายอาจารย์ที่หาคือพระกรทาขามีตั้งเพศหญิงและเพศชายอาจารย์ที่หก คือพระสวัสดิ์บันทั้งเพศหญิงและเพศชายอาจารย์ที่เจ็คือผู้ว่าอาจารย์ผู้แก้อโยพันษารักษาศีลบริสุทธ์ในทางโลกที่อาจารย์ที่แปดที่เก่าออกตามลงมากคนนั้นอีกมีอาจารย์ทั้งพระสูตรอาจารย์ทั้งพระประมัตถ์ เทาพี่จ้าน่ากรรมฐานอันไรอัะไรเระเป็นอาจารย์เท่าสั้นทีหนึ่งเห็นผู้พี่จ้าน่าร่วมหายใจเขาออกเขาเรียกว่าอาจารย์ร่มหายใจเขาออกเขอเรียกว่าอาจารย์ห้อ ด, ดังเขาเรียกว่าอาจารย์สติอาจารย์ปัญญาให้ไม่สติยหั a n เท่าพี่เจ้าน่าหางกระดูกน่าสะกดร่างกายของเท่า อาจารย์สั้นที่เนึ่งในพระปรอมต์คืออาจารย์ห้างกระดูกผู้พิจารณาคนตายเป็นอารมณ์พอเอาคนตายเป็นอาจารย์เพื่อให้เจ็ดหลาบห้างกระดูกกับเพื่อสถิบว่าไหหมาหลงว่ามันสวยมันงามนั่นก็เป็นห้างกระดูก เดินโยกมไปกับเป็นห้างกระดูกกลางๆกลางๆกลางๆนอนโยกก็นอนฝ่าห่างกระดูกรูน่างกันเนี้ยนั่งกันั่งฝ่าห่างกระดูกรูนี่อาจารย์ทั้งปรมาจิตอาจารทังด่านภาวนา อุพพาหน่าพุทธโธก็ถืออาจารย์พุทโธเป็นชั่นที่หนึแม้นว่าถือมันก็เป็นสั่นที่หนึ่งอยู่ยแล้วพุทโธ ท, ทั้งโม ท, ทั้งโคนสั่นที่หนึของไตโลกาธาอยู่แล้วที่จัดให้หรือว่าจัดให้ก็ตางที่เอาโค้นสวมให้หรือว่าสวมให้ก็ตา ม, ามาธรรมชาติอันนั้นวันนี้จากาาธรรมชาติอันนั้น พุทธมูทพระธรรมประสงค์กระเด่นกว่าสัพพแตยโลกธาตุโยเกี่ยวขนสวมถวายเพิ่นหมดหรือสิบวสวมกระตามขวอมจิงอันนั่นเขาวันี้จะข้อมจิงอันั่นผู้เหลื่อมสาพระพุทธพระธรรมประสงคผู้เหลื่อมสายพระธาตศาศสนาเป็นผู้ที่สามมาแล้วไม่แก่กามาแล้วเป็นผู้มีกำลังแล้ว เป็นผู้เพลิงความเห็นจากของได้บางแล้ว คนพว่าออกพันสาลาพระเจ้าผู้นี้บุร่าเจ้าเคียราพระเจ้าทิล่าไปใส่ลาพระเจ้าก็ถึงซึ่งพระพุทธพระธาตุพระสงฆ์เป็นศาสนาล่ะไม่ได้ล่าไปใส่เลยออกพันสากระล่าตั้งแต่พันสาประจำปีนือคือออกพันสาลาพระเจ้าโกก่อนผ้าไปไม่ได้ล่าไปใส่ลาพระเจ้าต่อหน่องนะคิดในใจ ไหวแนหัวใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น้อมให้เพื่อขี่รถเงียวรถหยับำยำทนร่ายไข้ลำบากไต่ผอยู่ถึงเมื่อว่นมีประมาณเพื่อนเออห่้าเป็นขาเป็นทาาทุกวิธีท่าเพื่อนลีนนี่จะเอาสมมติแน่ ใ, นใจจะเป็นลูกขล่าทิฏฐานเสียไม่ สีงามเป็นเป็นผางอมเป็นผาคำพลเช็ดกลดให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผลพระธรรมในที่นี้ไม้เป็นบุคลาธิฐานพระสงฆ์ในที่นี้ก็บไม้เป็นบุคลาธิฐานบัวไม้เป็นธรรมาธิฐานหล่หลวดัลวด สีส ม, มุดเจ้าของขยายออกปฏิภาคเจ้าของออกให้เป็นหูบกายน้ํากายมากก็ไม่เห็นเม่ใช่แม่ทองมหาส ม, มุดอสงไขยอสงไขยอสงไขยมหาส ม, มุดคลเนี่ยสีนี้เรามีดสะกนละกายอนั่นอ้าปากก้วงก็ไตโลกธาตุเนี่ย แ ต, แต่ละคนละคนหายพระพุทธพระธรรมพสงขี่ใส่เหนียวใส่เทรลลายค่ไข่หนมูกใส่อยู่ทุกเมืองแล้วเลือ ก, กได้ก่เลือกได้ก็ดีฝุ่นล่งฝุ่นบาดนี้ยพระิพาคคณิมิตรพระิพาคคณิมิตรในมิตรเทียบเทียง อุกหนิมิตนิมิตติตาปติภาคเนมิตนนมิตเทียบเคียงขย้ายให้มากแล้วยน่นลงมาให้น้อย <S <S 1> <S 1> นักอันนี้อันได้นักยิงนะจ๊น ขนว่าพื้นนักกับนักก้มูความสอทองเก่าเนี่ยตลอดเพระพุทธศาสตร์นะเนี่ยสิสร้างน้านักก็บม่มีอะไรสามาเทียบเทียมได้เอา้าสิแข็งทั้งเบาสั่งกับต้องเบา ก, ก้มูอีกว่มีอรสามาเทียบเทียงได้แม้แต่โลกทาตอา๋อสิแข็งทั้งราคาสูง กูมีอันไหนที่มาเทียบเคียงได้ในสัพพไตโลกธาตุเนี่ยที่แข้งทั้งลึกซึ้งก็มีอันไหนที่มาเทียบเคียงได้ในสัพพไตโลกธาตุเนี่ยที่แข้งทั้งสูงฮะเนี่ยก็มีอันไหนที่มาเทียบเคียงได้ในสัพพไตโลกธาตุนี่ย ที่แขงทั้งละเอียดก็ม้มีอันไหนสีมาเทียบเคี่ยงไรอันไนสเปอไตโลกราชที่แค้แงแค้งทั้งแหลมคมก็ม้นมีอันไหนสีมาเทียบเคี่ยงอะไรอีกอันไสเปอไตโลกราชทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วย สิแข็งทั้งอายุก็ไม่มีอันไหนที่มาเทียบเคียงไลยเขาว่าขาดอายุเอเซียเลพระพุทธศาสนาบได้ขาดอายุของพระมาหาอันตะคุณในเกลือสิแข็งทัง้งกำลังพลวัทะโกก็ไม่มีอันไหนที่มาเทียบเคียงไลยพระพุทธศาสนา แข้งทั้งเป็นซับไพ่ในตลอดทั้งซับไพ่นอกมันเป็นเครื่องดึงดูดกันก็ว่าไม่ได้ที่มากแข่งได้ทุกยุคทุกสมัยมียทุกกาลทุกเวล า, ากาลิโกเอฮิปติโกคนร้องเรียกให้ผู้มีปัญญามาดูได้ผู้มีปัญญาที่มาดูยังไงคนตะบอด ก็เลียคนตาดีตัวมาเบิงเองียงขนาดคนตาบอดก็ปรเรียกว่ายัางไงท่านจงมาดูเืิดเอหิปฏติโกนโอกระนัยโกนอบเข้ามาใส่ใจใส่สติใส่ปัญญาคุณของพระ อ, องค์เจ้า สีย่นลงมาสักเพียงได้ก็ตามก็มีบนสีว่างมันใหญ่โพดมันหลายโพดมุ้ยบนสีนับมันจิกควงถิ่มกับควงมาหลายไลมาแท่นพึบโปวดปว ด, ด, ดจังกอกไลามาจังกอก เหนือมดในใจโลกธาตุเนี่ยพระพุทธศาสนาแทนพุทธธรรมสงฆ์แทนนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปโลก็าตาค้ามีอนานาค้ามีอรหันต์พระประเจ ก, ก็นับเขาด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็นับเขาด้วยพระปเจกทั้งหลายก็นับเขาด้วยอรหันตตาชีหน้าศพทั้งหลายก็นับเขาด้วยนับพระอรหันต์ตาของพระพุทธเจ้าองคกรจนถึงรอยโกด จนถึงอสองไขยอสองไขยอสองไขยอสองไขยพระพุทธเจ้าอีกาการกรบอมีประมาณอีกเทียบทั้งราคากรบอมีประมาณอีกเทียบทั้งปัญญาทั้งข้อมใส่ยศฉลาดกรบอมีอนันนีไปท่าน ท่านสอนพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมเลยพระอริยสงฆ์เลยก็มาคือน้ามันม่นก็คก้มเหงาทำมันอยตยัยมันกับวายุประเทศเสนามหาสมุทรทะเมันก็ปีนขึ้นเทิงอยู่มาจมไปไะส ลกคนผู้เรวมสพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระนิยสงเจ้าล่กมีทา้งถอยหลังและตาบดายัท์่าของภูน่ะเป็นอาจาระศัท์่าอาจาราเชื่อปิทิตาเป็นโล ก, กุตลาศัพท์ทาชีลันจะยัดตะการเลีานังเป็นโล ก, กุตละศีล อริยกันตังะาษาสีตังอริยกันตศินสังเคราษาโดยัดสสภิจุผูตันจะรัชนงังเพราะเห็นแล้วเห็นตรงแล้ว สมบัติภายรของมนุษย์ในพระพุทธศาสนาศรัทธาเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อเชื่อว่าถ้ามีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้นสี้นรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษมีสิ้นห้าสิ้แปดสิ้สองร้อยยี่สิบเจ็ดเป็นต้นสิ้นสิบสิ้นสองอยี่ิบเจ็ดเป็นต้น ฮิริละอายต่อบาปทุจริตโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปทุจริตความละอายความสะดุง้งเ ม, เมื่อลงละเมิดเมื่อได้พิจารณาแล้วพิตองแล้ว โยนิโศมนาสิกานติตรตองให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วโดยอุบายที่ชอบเมื่อได้ติตรองโดยอุบายที่ชอบแล้วก็วัชดาอยากลงละเมิดในสิ่งที่บหมาะสมผ้าหูสัจจะเป็นคนเคยในยิน่งในฟั่งมากมากจำทรงถ้ำในสิ่งทีปาวิทยาไว้ได้มากในทางโลกและทางถ้ำ เป็นพระหูษกัตจิก์พระหูษสูตรพระหงษจันร์จะจิบปัญจะเป็นพระหูษสูตเอตมังขามุตตะมังวินโยทรงไว้ซึ่งพระวันมีชิ้นห้าเป็นต้นสุสิกขิโตเป็นผู้วาเป็นผู้ศึกษามาดีแล้วชุพาชิตาเป็นผู้วางาง่ายสอนง่าย ไม่อาหังการไมามังการเอตมังคลมุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่จาฆะสระสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อืน่นมีค้นทุกขค้นจนแล้วก็ย่าจกค้นขอตลอดทั้งสมณะชีพภาพตลอดทั้งสันผู้มีคุ้น ตามการสามเวลาเท่าที่จะทำได้เท่าที่สามารถจะทำได้ในทรัพย์สินของตัวอันภพยนอกเชินภา ย, าภายให้เป็นคิดว่ามุ่งมิ่เวน้นไม่ไพ่กับไพร่ไม่ว่าสยอกขอดเวน้นแก้ไพ่มีมัว่วมั่งใช่ไหมนี่เป็นทรัพย์ไพ่ให้วัดทีนี่ปัญญาเรารู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ปัญญาในที่เป็นทรัพย์ไพ่ให้ ปัญญาหาอบายว่างแผลแต่ลักเขาปัญญีาว่างแผลแต่คาเขาวันญาหาอบายไปยืมเงินเขาแล้วมาใส่เขาวันญาหาอุบายไปกี้ไปป้นวัน ญ, ญาหาอบายไปล่วงละเมิดละมุกอุบายลมุกมุ่นี่บร่ได้จัดเป็นปัญญา จะเป็นข้อมูลใจพิษในทางเสื่อมปัญญาที่เอาเป็นกฏเป็นเกณน์ได้หมายถึงสุปัญญาสุปฏิปัญโนปัญญาอุชุปฏิปัญโนปัญญาญายะปฏิปันโนปัญญาสามิกิปัญญาอันนเรียกชื่ปัญญาอะไรนี จบทังปริยัตยิปฏบัติปฏิเวทอันสามีจินะปริยัตยก็เรียนจบแล้วปฏิบัติก็จบแล้วปฏิเวทคือมาคน้นในพ่านก็จบแล้วอเมอยังมาท่านถึงพระลรหันก็เรียกว่ายังเรียนนโมวันจบ อะไรแต่คัวมันดิซึยังเดินทางอยู่ยังแบกนักยังหาบนักอยู่ยังหิวหน้าหิวในอยู่จะเดินทางต้องเดินทา ง, งตรงสุพิปันโนเดินทางกลงแล้วว่าจะผีกเลยาอต้องจเดินซาเดินเร็วก็บพผีก ถึงสี่เหยียบน้ำบ่าบ้างกับวงงูว ง, งแล้วเดินอีกทำสนุดบ้างก็ได้กำขีดีนท่าแล้วเดินไปมุไม่ยากใช้อะกำขีดนท่าแล้วเดินไปใ้งไม้ก็ามา่างเลในใ่โลกธาตุม่างมาจฉาิน ท่านน้ำทัดไฟทัดร่มมันแม้ห้องพายยังเป็นยู่งสี่เหรือว่ากำชีดินไส้นี่นถือว่าเรายังเป็นนักโทษย่นมันกับว่านอนใจไปไหรอก คือว่าเราเป็นยังเป็นเจ้าโทษอยู่นะอันสําคัญว่าเจ้าของเป็นเจ้าพุ้นอย่างที่มันอุกหลายอ่ะอันว่าหัโทว่าหนพ้นทุกอันมันเป็นเจ้าโทษเดจ้าพ้นบ่ออกสําคัญว่าเจ้าของเป็นอําเภออีู่ก็ขึ้นกันอเมเจออาเภอเก็บอําเภอตายยังมันพ้นไปอือว่าเราแมีนบอกเขาเนี่ย พี ies, no ่เนี่เป็นวัตส่วนละเดียวเนี่ยพีนี่ยม่อยากเป็นยังไม่ที่อยากพ้นทุกแน่เดียวล่ะต้องการแค่พ้นทุกข์แน่เดียวคนเนี่ยต้องการเขาสู้พ่อเนี้ยพ่อพ่อเจาะแผ่นฝาอย่างเงี้ยบางฝ่าอยู่เสมออยู่พ่อเจ้าะแผ่นดินกียดันดินอยู่เสมออยู่พ่อเจาะแผ่นน้ำเหมือนกินน้ำเยอะเสมออยู่พ่อเจาะแผ่นไฟต้มน้ําำพอนมาสันอยู่เขาต้มอาหารมาให้กินอยู่พ่อเจ้าะแผ่นลมเหอหันใจเขาออกอยู่ มูนีพระเจ้าแผ่นโล่มพัดจมูกนี้มันว่จะเป็นยังวะดิซึมูนีมันบ้มันบเทียงมั่นกับบามันบะเทียงอย้่ในโลกอันนี้มันบริวารทไปแข่งภายใภานิพายในภยหิมาบมันบเทียงนํำกันเธอผู้ขาดหิมารบกวนในบ้านนี่พราสันมันกับบริวามันเป็นอยน่ในโลกอันนี้ชีวังเลยนะั่น พวกผู้คาร์่มีแต่บ้มันว่ดเทียงสิ ม, กมากจีดวัดขวงก่อนขีดขวงพระนรพานก่อนถิ่ม่านีมุ่นพระนิพาน์ไปไปบ้มันวัดวเทียงน้าพวกผู้คาร์เไปเที่ยวเกิดแก้เก็บตายไปเที่ยวกินเที่ยวขี่เทีย่ยวเี้เที่ยวอยากนะหมาพระนรพาณ์เอ้ยนี่มุ่นม่าหลงหางกระดูกน้าแน่หม่าหลงหนังนําแน่หลงกินหลงขี่น้าแน่สันฉังขานทั้งหลายกับพระเดวา่ากิเลสทั้งหลายกัไปใกล้เพราะอะไร พึ่นกับยุคพอเพื่อนช่ำส่วนหนังโมได้มากคุกเข่าครับช่ำส่วนนี่เป็นจิงกับวะมี่ยงกังเว้นกัคืนความจริงไว้ไหมหนีจากคว่ำจิงพระนิพพานกับจิงกับวะเมี่ยงกังเว่นกังคืนสังขารในกองทุกข์กับจิงกับวมี่งกังว้นกัคืนคว่มป่วยความเน่าในสกุลรากายกับจิงกับวมี่ยงกงว้นกัคืนเออ ผมคนและฟันนังเหนื่อเอ็กระดูกเหมือนของโบดล่าแต่ละยางระยางก็จริงเพมีกระเว้นคมลองทํามะเทศยห้างกระดูกกรเทศเฉพะห้างกระดูกลมหายใจเขาออกกระเทศเฉพะลมหายใจเขาออกน้ำเลือดน้าหนองเต็มในสกลร่างกายกระเทศเฉพ า, มาะมีกระเว้นกระเคลิมมาล่องขีก็เต็มท้องพะมีกระเวนกคมลองทํามะ อันนี้ผู้ที่ฟั่งเทศแต่มันไผแน่อยาหายากนักเทศมันหลายพอแห้งอะเเนี้ยนักเทศแก้นักเทศเก็บนักเทศตายกับว่ลงธรรมะจะเถือเหลือผู้ฟังมันไผแน่หนึ่งไผสองไผสามไผอันนี้เป็นนาทีเท่าสิพิจะหน้านนะผู้ฟัง่งผู้ปฏิวัติไผแน่ มันบริยุทธ์นักเทศเดียะนี้นักเทศช่วงนี้มได้เทศเอาสตางมได้เทศเอาขนมมได้เทศเอากันร้อนนักเทศช่วงนี้เทศจะ่ว่ามีกังวลขึ้นพระองทํารรมจะจากคือพุนแก่เจ็บตายกับพระองค์ธรรมาจากสกลละกายขุนเปรย์ขุเนากับพระองจากธรรมาดสกลละกายยิ้ใจที่มีกิเลส โลกโกรธลงก็บพลงจากธรรมะใจยึดได้แล้วผู้ใดผู้ที่ฟังเทสะส้มนี่ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้ารบธรร ม, มะส้มนี่ทางวัดีก็เป็นนาก็เป็นทางที่เข้ารบเหมือนกันเข้ารบเพื่อเพื่อเวียนเนี่ยบาปพ่อก็เขารบด้อยกัน่ เข้าลบเพื่อเพื่อสิเว้นบุญเขาก็เขา้ารบเหมือนกันเข้เขารบเพื่อสิดำเนินมะฝนที่พลานเขาก็เข้ารบเหมือกันเข้าลบเพื่อจะให้รู้แจ้งแท่งตลอดให้พฝนจากวัตรสงสารไปเข้ารบทั้งทั้งซัวเข้ารบทั้งทั้งดีพิ่มซัวก็เป็นอาจารย์สอนให้เว้นพว่มดีก็เป็นอาจารย์สอนให้เอาอย่างยงไว้ ดีเสื้อมาจากไสออมาจากพญายจิตรลาดพญายจิตตลาดเป็นผู้เฮ็ดขืนผู้มาท่องเที่ยวในมาตาท่องสารกับพญายจิตตลาดผู้ลงแขงลงขาเจ้าของกับพญายจิตรลาดพญายจิตรลาดถังปุงขึ้นพญายจิตตลาดถังหลงเจ้าของ ตัวหันยอกเง่าตัวหังหล ง, งเง่าพราะคิตตลาดนะพราะงายคิดตราดว่าหลงสังขารบ่า ม, มันสังขารหลงพราะงายคิดตราดพราะงายคิดตลาดว่าหลงโลกมาแกมาเก็บมาตายมาเกิดมาแ ก, ม า, กมาเก็บมาตาย เมื่อมาเกิดแก่เก็บตายมาหลงพญากิจตลาดเมืม่อนิมนต์พญากิตตลราชร่ารงกายกับวัดเดมอนพญากิจตลราชว่าจ่ากับวัดเดมอนพญากิตตลราดดินน้ำไฟล่มกองบ่ิษัทนิมนต์พญากิตตลราดผู้ขาเป็นดินผู้ขาเป็นน้ำผู้ขาเป็นไฟผู้ขาเป็นล่ม ผู้ขาจะเป็นสมบัติพัสถานพระยงคิตราดละ่ะนี่กับว่าได้ยืนยันกับว่าได้ปัดคือกันได้เศร้าโลกทั้งหลายมาวุ่นมาไหว้กันเพิ่นกับพ่อเพิ่นโตกับพ่อโตผลสุดท้ายกับแบมบเมื่อแปลงแซงตายไปเนี่ยมั น, นตอมโซโซเนี่ยมัน ผ, นผลจากวัฏสงสาร ก็เป็นที่ไว้ใจเจ้าของบ่ได้ร่ยอยนามเพราท่านถึงฟังเกเป็นที่ไว้ใ จ, จบ่ได้สมักหนามเอื้อกเ อ, ก อ, ก อ, กอกื้อกอก็เออฟ้องขืนตีมาตาละบาดระบาดเมื่อโมยแท้ก็ บ, บ่ดได้เลยจมเล็บละ เขาขามทะเลขามทะเลไปผู้เกตไปเห็นเขาเต้นคลื่นเรือลำนี้มันเต้นคลื่นดีอาจ่รเขคว่าคลื่นมาต ะ, ะเรือตะเรือนี่พอภูเขาเนี่ยมันหันหน้าสู่เต้นเทือกฝนหัวซักลงฝนมันก็ออกขางใส่แค่ห้อเต้นคลื่น เื่อเห่าเขามันสติกับปัญญาไม่สิเต้นคืนคืนโลกคืนโกดคืนหลงกรายรเขามันศีลสมาธิปัญญาของเห่าที่มันโกงคืนกันอยู่งละไม่สิเต้นคืนสิคามคืนไป อ, อ, นอื่นกับว่ามีได้สิคามได้บอกไปใช้มันกับว่าไปบอทั้งดีมันกับง่วมาหาพญาคิดตลาด อ๋อทั้งตัวมันกับโมมหาพระญาติจิตตลาดเพรพระญาติจิตตลาดเป็นผู้สมมุิเหล่าเด้อยพระญาติจิตตลาดเป็นผู้สมมุติฟัง่งเป็นผู้เข่อยไก่าเข้าใจก่บับมันพระญาติจิตตลาดผู้ที่ปัจจเจ้ปฏิบัติเจ้าของหอยเดนกับมันพระญาติจิตตลาดผู้ที่ทํามันเจ้าของตำลุงกับพระญาติจิตตลาดเพื่นบ่มา่าทําได้ นางในวัดตาทองศาลมานานแล้วนอนในวัดตาทองศาลมานานแล้วเดินในวัดตาทองศาลมานานแล้วหมายเถึงบุคลาสิทธิ์เดินอิริยนังอิริย์นอนอิรีย์กินในวัดตาทรงศาลมานานแล้วขี่อยู่ในวัดตาทองศาลก็มานานแล้วเหยี่ยวอยู่ในวัดตาทองศาลก็มานานแล้วเออ ทั้งหลายเคยเป็นพองั่วพอกควายเคยเป็นเอาหัวง้วเมียงง้อเคย เ, เอาหัวก้วยเมี่ยงควายจักแต่เมงหมาเมงมันตลอดถึงมนุษย์ตลอดถึงเทวบุตรเทวดาเมื่อไรศาสตร์ไ ร, รพบแลว้ว พบเจ้าของแตกของสลายของผสมประสมทั้งนั้นถี่มาปั่นน้ำให้เป็นตัวมาปันวัฏสงสารห้มาอยู่ในกับมือเจ้าของโลกทั้งหลายมาแตงมาแตงสังขาร ใหอาจิตรลาดมาแตงสังขารนมันอยู่ในกระมือจะของมันบรยูตีปัด น, น้าให้เป็นตัวมันกรบรยูปัดเเป็นน้าแข็งมกันเพื่อ้ต้องซ้ำเกาาละาเดี๋ยวขี่กบมา่อยปัดเน็สร้างขี่เลยมา่อยปัดนก็ตา ม, มันกระปูโรคของเกามาละก็แตก เกินเปรีป้ยเกินสลายลงนั่นเชิยงโมนี่เป็นนาทีที่ก่วนพี่จ้าน่าทั้งนั่นขันบัวจังสั่นเราใครจะของหลงไปเที่ยวของหลงเทาะวะสัตว์พวกนึงของหลวงก็เข้าในแล้วมาหลงอยู่นี่ มอหลงเกิดหลงแก่ลงเจ็บลงตายลงตาลงหูลงจมูกหลงลิ้นลลงกายหลงใจหลงโลภหลงโกรธหลงหลงอยู่นี่หลงกิ่นหลงขี่หลงนั่งหลงนอหนี่หลงหลับหลงนสดหลงยั้งอยู่นี่ลงดวงหลงธงอยู่นี่ันหลงดงกับหลงธงเื่ากันคนหูจักดงยังหูจักธงันลงมืดกับหลงสว่างเื่กันกับคนหูจักสว่างเทกันคนหจักมืด ฉันจักสว่างฉันหจักมือถือกางห่จักมือหุ่นจักสว่างทุอย่างันจักไดหุ่นจักเสียทุกอย่จักเสียหุ่นจักด่พนิพานอยู่ฝากใดฝากเสียพนฝากหลงฝากบัลลงก์พนฝากผู้ลูฝากผู้บัลู่พนพันิพานโมวาสิมาเอาแผเอาชนะในผู้ลูในผู้บัลู่อย่นี่พันิพาน ยุ่ฝากาญยุ่ฝักสมาธิยุ่ฝักสมาบัติคนชาญกับเป็นทนทา ง, งเขาสูาพันิพาณหรือเป็นที่พักซื้อพันิพาณว่ามันสร้างเส้นบริเลบูลเนี่ยสมาธิบริบูลเี่ยปัญญาบอลบุลเี่ยย่ฝากส้นฝากสมาธิฝากปัญญาเพาะฉะนีจงว่ายุ่ฝากบาปฝากบุญหมบาปกะละพ่อแล้วบุญกระซงพ่อแล้วก็ฝากเท่านั้นี้ ว่าย่งบกพรองต้องการนี่แนหะก็เสียสางนามทั้าบุนอยู่ยนะี่ขันบุญพ่อเราโม่ห้องของ อ, อยููแล้วใครเสิมาดึงขาไปมันกับพยัฟล่ะข้างบุญเต็มแล้วล ะ, ล ะ, ละบาปพ่อละเขาสู้เพื่อานเล็บง้ออยมีเียเวทเยอะหล่ะเขาหยาบตีนแน่กรับมึงไม่จักกูปะเหรอว่ า, วาก็ได้เพื่อนก็ได้ว้าคือให้เฮตไฮกูอดได้ถึง มาร่องกับประธานกูว่าเพราะว่าคึ้นยังเสงี่ยงยังไข่ยอยู่เนี่ยประธาตายแล้ ว, ลวเขากรรตดใส่ดังกระเยโอรดนั่นเยียบทั้งหัวมึงนี่ทีมเส้นใเบ็ดหัวไปยัง <c oughs> นักเทศเอกบัตอะไรก็ได้มิสเตอนักเทศเอกว่ามันเอกตาเดียวอยู่ในโลกอันนี้กินเขาเขาไปแม่ท้องไทยทัยท้งก้น ก็มันนักเทศเอกเทศแฟงยินนามอัดลมอัดไฟทายออกมาทั้งทว้านนักทวานเบาทายออกมาทั้งทวานเบาทายออกมาคุมขนคุ้มผมก็มาเทศแฟงอีกละเทศเขาดังเลยอันขลองแคลบๆก็มาเทศเขาดังนี่อีกไปนั่งเบงอยู่นะท่าเทียบคาดากผู้รู้ โอ้ยพลอยแม่ได้บีผีจะค่อยเคลื่อนออกบีผีจะค่อยเคลื่อนออกเน่จักน้อยบีทั้งกลดผีจะค่อยแคลดออกแสบหน้ามังสันแสบดารกระป้านนั้นเทียเรือเมือไปถึก มาดมบึงป้นให้เป็กสมควรอยู่สมควรพาใส่พสอยนั่นนักเทศทั้งนั้นล่ะเทศในฟังเ<ม>ขาพูดตะเจ้าว่าสักคนนั้นร่างกายเป็นของปรตีนนะครับขันมเสื้อกัดปากนี่กล่างดีปัญญานี่ เอามาสีเขียวมาดมมงดูอันนี้ก็แม่นักเทศคือกันเห็นแล้เนี่ยนั่งขมีแขียวปันว่าปากสันอาหารเน่ะไอ้ที่แท้อทว่านปากกับทว่านนักทว่นเบานี่ก็อันเดียวกันเห็นละก็มีกินไม่สีอันเดียวกันเห่นละเน่ากับเน่าพร้อมกันเห็นละบรทัดตายก็ได้แต่พอท่านตายกับเน่าพร้อมกันย่อมที่ล่ะสิว่างไรคะเนี่ยนั่ง ถ้าข่านพระองค์เก่าวันใดวันทีข่าข่านได้ไม่ไม่ร้อนกับเป็นนักเทศเป็นนักเทศเอเสแสดงอันนี้จะตาท้ำคว้มามันบะเทียง แสดงทุกขาตาธถ้ำคือกัน่ะแสดงอนัตตาคือกันนี่ไฟจะไปบังคับบันไดมัน ก, ก็ะโจนมันเกิดมาแห้ ง, งมาไหมเกิดมาเพื่อโรนคือเก่านะ่ะคนก็นเกิดมาเพื่อตายคือกันนะ่ะสมัติพัฒธฐานโมนีจะแตกสะสลายลงมืดนะดินลงไปเป็นดินน้ํา้องไปเป็นนา้าไฟไปเป็นไฟลมไปเป็นลม่โาสิตเมรุของไผ่มวา่าสี่หยันของไผ่ชัดโลกทั้งหลายมีกิเลสกับมันหยาดกันยุคไหนผู้บาแล้วก็ว่างระบาดเนี่ย คอยว่างเทเล็กแล้วหน่อยล่ะไปล่ะบ้านมันสิมารถทำลายโลกเมืเ่อเฮียนวีซ่าเบื้อนายโลกทำลายควบหลงกับของผลของสั่งค่อยไม่บ้านมันกอกลายบ้านคิดบ้านใจนี่ควบหลงกับหลงกับใจนี่ใจลงใจ นอกจากใจก็ไม่มีอะไรเสีมาลงใจนอกจากใจก็ม่มีอะมารูดเท่าใจนอกจากใจก็ไม่มีอสิปฏิบัติใจพุทธสมทรงรวมลงมานี่แล้วพระพุทธเจ้าทั้งร้ายมาย่ใจ น, นี้พระเจ้าทัตสลูพระพุทธเจ้าทัตจลูอยู่ ตำบลพุทธคยาปะเชียงฐานได้แม่นม้ำในรั่นซาราอันนั้นจริงอยู่นู่นประเทศเ อ, อินเดียข้างนอกข้ามทางปาลมาัดเพื่อถือปฏิบัติง่าย พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยู่เมืองไก่ต่อร้อยถาดท้องลงแม่น้ำน้ำเนรันสล่าจิตใจของท่านเป็นท่องค่ำน้ำกีิเลสตันหาของท่านท่านร้อยทิมวันแล้ว น้องม่ทั้งประมัิเพื่อปฏิบัติงานถ้าพระที่เจ้าเสือมุติสุดยุสุก ย, ย่อัจฉบาลแล้วเนี่ยโคตรไม่รด้ใช่ยศนะอัฉจจบาลแล้วเนี่ยโคตรเรียกว่าตนไสเป็นที่พักแห้งๆคนเลียงแพะ่หรือสามุจจะเล่นบ้า วันละเก็วันละเก็ดวันละเก็ด เ, ด เ, ดเด็ที่สื้อเก่ามือว่าที่กินเขา่าสวยมุทิสุขถอ ท, ทั้งประมัติพระพุทธเจ้าสวยมุทิสุขยื่เมื่องใจแต่เพิ่นทางมายยึดถือใจเพิ่นขามไปแล้วพักตัวข่าสือ บาปกับบุอันนเกิดก้อนขั้นเฮ็ดบาปก้อนบาปกัเกิดก้อนมันจะเพราะของไฟของมัน น, น, นึ่งอผู้นั้นเฮ็ดบุญก้อนบุญก็เกิดก้อนพริบา้านแม่ทำาะ เป็นมัน่นคืนที่มีคาเป็นสติที่มีคาทั้งแม่เพื่อนที่ฟุ้งซ่านก็ตามยิ่งนึกก็ยิ่งได้บุญมากยิ่งนึกไปแน้ทั้งดีก็ยิ่งได้บุญหลายมันฟุ้งซ่านไอ้ฟุ้งซ่านไปทั้งบุญมันฟุ้งซ่านไปทา้งบาปเราแห่งได้บาปหลาย เป็นห้นทางเขาซูพันธุพานโอ้เป็นห้นทางเขาสูนรกบุญเป็นห้นทางเขาซูพันธุพานแต่ว่าบาปเป็นห้นท่าเขาซูพันธุพานกัมเรียนนั่นอะยังว่าครับมันเข็ดด้ฮะเนี่ยคำมันเข็ดแล้วมันลาบแล้วมันก็ติเป็นห้นท่าเขาซูพันธุพานเนี่ยมันกระพริบใดขึ้นกันเนาเออ พอเป็นอาจารย์ทั้งสองฝ่ายด้วยนั่นที่กาบอกองัเวลาลงไปแล้วดูเวลาลงไปแล้วดูเวลาลงไปแล้วดูไว้ฉันบอกเวลาลงไปแล้วดู ไม่ได้ลงไปเลยดูว่าสนอมันตีธรรมดาดูไม่ไดาลงไปเลยดูไม่ลงไปเลย ด, ด, ลลวดูว่าสนอนี่นี่อันมูนนนนน้นี่แย่นาแยงหลังนงนีกนี่ทัดทั้งหลายแย่งหาความสุขในโลกกันเดียวกันเนละ หงวงหันห่วงนี่เวงหันห้าหนี่คืออันนี้แง่คือร่มอันี่แงตรงร่มหายมหองาคนผูมุงหาความสุขในโลกผู้ดังจิดย่อมาท่านในเนียวถึงพระในผ้ายังมาท่านในขุดเจให้ของอันเดียวกันเนี้อน้ำกัน คนเกียรตหน้าทำคนหวังตางกั่นนี่นางงือกนำกันนคนตังนางงงเสี่ละยึดใจกับผูยุ่รรับเดียวกันตังนางงงเสียละยึดใจกับผยุ่งรายรับเดียวกันนุคนละบอลถามเี่ยวเขาไปเขามัน ตามคืนของไมฟของมันตามทานของไฟของมันอยสายของไฟของมันตามบอกหน่อยบอกไงของไฟของมันไฟสายหาทานที่แกหาหลูกเวทนาสัญญาชังขานเป็นยานมันบมเทียงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันโมหมันบมเทียง หยดหาทานลงมาเป็นทานเดียวมา ว, ว่ามันชาติตรงนบุกคนฮัเนี่ยนวลลงเขาก็เป็นทานเดียวหะเนี่ยหยดสินสมาธิปัญญาลงมาในปัจจุบันมัดหยดลงมาปัจจุบันหยดโลกลงมาในปัจจุบันน้อยก็เห็นผม ยน่นมรคนี่พลานลงมากนปัจจุบันกันน้อยก็เส็นผมอีกพาแปเที 5, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. ยงห่วยกาเทียง10บเทียงห่วยย่นมรคนี่พานลงมากถยน่นสังขารลงมากซกันย่นที่เรลงมากซะกันมาประจันบานกันในปัจจุบันวังนูกันอ่าเรษีเป็นญาแก่กา่าเขาฟันมา้ อ, มองมณฑล เหมือนดังแสงจันทร์ตองเดือนเพ่งคัดคัดคับมืดใช้สแสดงวางจ่าเห็นแจ้งทุกพ้ายกมุมมนีนาวัตติโรกูรัโกโรคเป็นไปตามกรรมเท่าก็เป็นไปตามกรรมนะทุกัานกรรมขอาไปเองมัน กำไม่ท่าว่าพุทธศาสนาส่วนกุศลกรรมผลไมายถึงพระอนาคามีส่วนอกุศลกรรมผลไม้อามาหาไว้กี่นรกกับป๋าราชิตีกับอนันตฤกยกรรมหาไฟกำหนักในทา่ามั่ดีไฟกำหนักไม่ท่งดีคารุกรรมเป็นแบงเป็นสองเลยคารุกรรมกำหนักให้ผลธรรมดา ฆรุกรรมแบ่งออกเป็นสองฆรุกรรมที่เป็นกุศลฆรุกรรมที่เป็นบาปละหูกรรมก็แบ่งเป็นสองเหมือนกันละหูกรรมที่เป็นบาปละหูกรรมที่เป็นกุศลมัธยมกรรมก็แบ่งเป็นสองเหมือนกันไปทางบาปด้วยไปทางบุญด้วยส่วนพนเมพาณว่วกรรมหลือผนของกรรมซะแล้วส่วนปารหันขมไปแล้ว พรลกรรมกรรมนักในทางกุศลก็หมายถึงพระอาณาค้ามิ่มงลุกรรมจักงฟ้าอากุศลคือบาปก็หมายอัมหาหวิกีนาลกและปาราชิกีและอนันตริยกรรมหาหรืออภิษฐานโสอย่างนักหกอัญญสัตว์ทุติยเือสาสดาอื่นจัดเขาในกรรมนักอีกเหมือนกัน ไม่พนสามารถที่จะมาข น, นิีพาธนเพลิงงายเล mm hmm. ยไปซือสาสดาอื่นเ mm hmm. นี่ยหงาบอยู่ mm hmm. คาสอนเจวันระบาด ท, ทรงต่อภา น, นิพานหมดผมเส้นเดียวกับทรงต่อภายพา น, น, พานคนเส้นเดียวกับทรงต่อภายพาน ท่านว่าลงผมก็ว่าลงขนว่าลงเล็บว่าลงฟั่นคือกันีว่างไดครับดินข้ามเดียวท่านินี้กับทรงต่อพญิพ <c oughs> านท네่นว่าลงดินกับว่าลงน้าว่าลงไฟว่าลงร่มคือกันท่านรูดเท่าดินก็รูเท่าน้ารูเท่าไฟรูเท่ารมคือกันนั่นว่าหลงอันหนึ่งกับว่าลงสอง่ลงามคือกันท่านรูดเท่านึงก็รูเท่าสองเท่าสามเท่าสี่เท่าหาเท่ารอยเท่ากูดคือกัน ทรงสอนพระพุทธเจ้ทาทรงต่อพระนิพพานวัดยุบนหนอพ่องหนอคือพระเจ้พาพระวนาของมันก็ทรงต่อพระนิพพานวัดนี่แหละขันเบื่อหน้าอายุบหน่อพ่องหนอ่อยุบหน่อพ่องหนอ้อมันอันนี้จังเลยหันใครเห็นผู้บริกรรมว่ายุบหน่อพ่องหน อ, ต, อ, อนนตัวผู้อันนี้จังมตัวอันนี้จังตัมันจะเกียวเงยเกี่ยวพอ่องนู่น เข น, นเบื่ อ, อน า, ายอาการเมาอันนั่นแหละมันก็พ่นจอดที่เดยวเขาสู้ว่านี่พลาดที่รำหนีอ่ะก็กะโลกทั้งหลายก็ลรคกร่วมในยุบหนอพอน้องเนาคืนนอการมองสันว่ารวมลงใน อ, นจจอนา น, อนจจิจังยยนี่พร้ธรรมนาอานิจังนี่จังวะว่ายุบเนอพ้องเนอะขาชิน้อมไปในแต่บริกรรมมันก็เป็นบริกรรมล้วนๆข้น้อมใส่ควบเกิดควมรับมันก็เป็นควบเกิดควมรับ ข, บ ข, บขบ อ, องการยุบนอะพ้องเนาะอได้ ขันเขาบอกพวหน้าแ บ, บีโตก็ที่ว่าเขาพิสตงกับกระถือเล่ขึ้นเรื่องจินซีไปทั้งสังสนนกย่างกินปลานกย่างกินปลาว่าะสันบริกรรมอยู่ก็ยังสําเร็จพระอหันเนีย่ยแต่ศาลในปฏิสัมพิชชาซีสำหรับเนี้ยนั่นมันก่อนหน้าที่เป็นบริกรรมภาวหน้ามันกันยังไม่เปลน วไม่มมันคา่จิตธรรมาม้แล้วข้ารมมันก็แม้นเนี่ยจะพัฒนาอีกกัแม้นอีกมันใกล้จะตายได้แต่ว่าถ้ า, าของพระพุทธเจ้าเขตายไปไซแล้วว่าร่างกายมันตายเป็นทังขางทั้งหลเกิดเป็นับเป็นตายเป็นธรรมาของพระพุทธเจ้าเขได้ตายไปไซ ภาวานาโยมาลวงปู่วันพ่นายคือพรเห็นมาชงหนาบน้ำมูนมันเองโทษคนป่วยตัวขนอยเพื่นคนนึงคนป่วยตัวขานอยเพื่อนคนเปิดเบรกฟื้นคนคนล่มหลือมาเดือนหนึ่ง ลายเป็นเลือดออกเป็นแทงเป็นแทงเป็นแทงนอดจงมองดูหอนเดียวเลยว่าถามเบื้องระว่าเมื่อยบ่ออะไนว่าเมื่เป็นไรนะแตนอนเผ่าหน้าอย่างนี้นอนแต่แค้งข่าวผัวเาหน้าอย่างนีเพิ่นเบาตัวกระดิ่งนี้เลยผมเพิ่นเพิ่นเนบาแห้งนี้ผมมาชงน้ำไปหาวันพุตัวน้อมันกับขนาดกุทันเวอรนั่น โอ้ทันยุ่นหันบ้าป่านานั่งซ่อมไก่ก้อนนี่โอ้นอนฟังร้วะของกุฏิปูฟ้าเสยอมาเขาไดลคู่บอลเอ่ยมาตองกอเฮ้ยกมุง่งหนาเพราะล็กวดนี่ล่ะนี่ระเบียงค้าแขกเนี่ยพระได้เอาทานไว้หัน เอาละห้องเกลียวเกลีคือละครนี so ้อบ ouais. yeah. ้ง right. ด so ูบานนี้อบงดูอบงดูว so ่าสั so ่นห้องึ้นกับบอลสงนามยู่น่ะเขาข้อห้อมแล้วเขาข้อหอมแล้วบานนี้วะสั่นหันหนาไปทางเข้าเท่าไหรมฮะโอ้ผ้าผ้ากูละบานนี้วั่นเอบุ้งดูเอบงดูบานนี้วะสั่นเขาข้อห้อมแล้วบานนี่เขาข้อหอมแล้ววั่นออบาน โอ้หัวใจพึ <confiance. S 2> <tes> ่งฟังมึงฟังตัวก็ได้ตัวก็นอนภาวนาอยู่เนีโอ้ควพมผาเงบานนี่ว่าสันแล้วมันติดตายพ่อเขาลมเข่าลมออกนอกว่าันกูตีซอมมันไว้สันกำหนดลมแล้วบานเนี่ย้อเข่กตายล้มออกกะตายบริกรรมกรรมนดนเติบทำปรจาพนตายไปไสว่าัน ถ้พาพระเจ้าไ่ได้ตายไปไช่หรอกลมเข่ากับพตายล้มออกก็บพตายบริกรมออกบบ ร, กรมหปพระตายบรตายบรตายของเขาล้มเข่าล้มออกบนในเวลาบริกรรมยังสั่นว่ได้ลืมลมกระทบไปได้หัวจักมัดกระทบคอยกระทบแหอยงองหยังหัจักปานยางกิ่งนิ่งอยู่ว่าเดียวพอปันบ้ไม่นอดอยู่ในศาลพับ บ, พบ้าเ่าับ บู้กุฏีปึบดเบียวผู้หอดกุฏีผั้โอไก่ผู้นอนขวงถึงนึ่อยู่ท่งนอนขวงคือบางไฟมันเสียโลกไมันขึ้นสูงมันขึ้นสูงหลปรกวดาขวงได้บางไฟเนี่ยจะไปโลกคขวงคือหนึ่งลวงสะเพื่อทวงจะขวางอยู่ท่งนี่มันจองมันแงสมาธิวสันพรวาเพื่ถ่วงเพ่อนเดือลงมากเลย สูงมหาสูงยังยุ่ยหลนปะไรบหันถอนออกมาผอนออกมากกมาเห็นร่มไห้ใจเขาออกนะปองแจงปงแจงปองแจงนังงงงง่งนังนน่งตะแคงกัขวคือเกาอยู่บ้านไหนมากไปไซยมันทายหลายแล้วมันก็เลยเมืดด้่านนี่ยมันลงในใส่ด้วยเลือกทำามันาทายออกก็ตาย ทายออกหลายแล้วมันมนเลยมืดท่านเป็นริมเป็นริมออกซ้ำหน่มือซำหนี่มือจักสามสิบเทือมี่เตอนเหลือดางพบกเจ็บว่าปวดนี้นะขันวังหันมันกับขันสามสิบด้อายุมันมันขันเจ็ดชิ้ยังเสมอเนี่ยมันก็แข็งแห้งก็เลยเศร้าก็เลยว่าปวดอีกว่าท่านกินยายั่งเนี่ย ว่าท่านได้กินยายัางคนในจานวัานกําลังประหาหักกระจายมากอยู่ว่าท่านได้กินส้มจานวัานประหาหักกระจายกับเนยียนมาตุมมือร่วนมากเลยไปส้งน้ำนําเพื่นได้ส้วงน้ำน้ำคนอะไก็เลยมือเ่นก็รูทันแฉงชิ้เขามันหลายคนแฉงชี้ในพูลละในมือพูละมือนี่ มันหลายก้อนหนึ่งละซี่ละหาหนึงละหละหกปวดตัวเลยหาอุบายวะผมนอ่นรับเมื่อวานเน้่บอกเขาบอกวคอยบอกาเมือผมนั่นับเมื่อวานผมหลอกผมไม่ถชืกว่าผวไม่ยังม่ยังยังยังเอาอะไรได้ยินยินาเนี่ยไม่ยังยัง่ยังก็สนเ่ยเอาได้ยินไดเอาอะไรได้บ่เนี่ ของมูออกข้างนเพื่อนเศร้าเศร้าเพะั้นอัศวาหอบอัศว์าถูวะสั้นนั่งพะละเพื่อนก็ไดุ้กนั่งเพื่อนก็นั่งยุหันเนี่ยมูเพื่อนก็อ้อมยุมูก็เศร้าขัางนี่ถามสอดที่บ้านเนี่ยเรโอ้ยคนน้อยนอ่นฝันว่านี่เพราะไม่รู้จานหอบมาแท้คนน้อยหรอว่าอนยู่วะสั้นคน้อยนอนนอนเพาว่าน่าแต่แท้างัวาวะตายแต่ควาพาพาพ้าผ้ากูระบานนี่วะสัน คว่าฝ่าพาาระว่าสัมคนว่าเ่ฝ่าพระเด็กมาัคนาเรกเขาพรว่ า, าน่าว ะ, นวาวะอนีผู้จดกว่าอ๋องโลกเขาข้อหอมเขนะาข้อห้อมมาสัมเพนาะไตายแ ล, ล, ล้วฝ่าพระลบาดนี้ว่าสัมเพระเขาพระว่าน่าบาดนี้ยมาสัมเขาพรว่าน่าเนะออา้าคิดจ้ดเขาพรวะ่านาอยู่วะพระอะไรอะไรนี่ียววะพ่างเ้ยเสียงห้องนี่ห้วยไล่ปัญญว่าสนะันพรน้าขาเก่านะวาตั้งใจเขาเกา่าะ กำลังร่มให้แก่อหรบริกรรมโคตยตายตายตายตายตายออกมาพรพ่อแล้วว่าวพอตายพอตายพอตายปุ๊บร่งไปกับพ้นแล้วบูคือเครื่ล้างค้าวุ้นเนาะคังคือหนึ่งเครื่องอากาศพุ้นเาะนี่แม้มันจงมันสามารถที่ว่าสันจักว่าโดนปันได้บะมันจะถอนออกมาว่าไงวะโม่งจักไวล่นาฬิกากับโบมีนี่เ่มันมีนาฬิกาอย่งสมเอมอมันมีนาฎิกาเม็ดวัดมันก no, no like. to ับ่มีนาฬิกา นี่แต่ของหลวงปู่อันเดียวเท่าน่ะพระบัดรารับโบมี่เลยของหลวงปู่มาหาอันหนึ่งห่างๆยาวไฟเขาบป้ายใั่ <c oughs> <c oughs> อยมมันไม่น่ารับดอกจิบร่วมตลอดมันร่อมน้ำ น, อน่องตลอดจิบเะมอเึือละเอียดนันน้องจัะ คนรเอรับรหลังเทือบ้ิดละอยากอมันก็เือนคหาหมันร่วมเขาไปร่วมร่มหายใจเขาออกร่วมขับกระเด้ประธานมันให้ร่วมร่วมเขาไปเดินจุกมทั้งอากาศผลตรีร่างกาพวกกันนี่บปอย่าง้คุเข้าไปกับี ยืนค้าดิอันยืนสองขาไปข้างอย่างข้างอย่างไปตรงนี้ไม่ได้ก้าวห้าเทียกา้าวก้าวเดินจุกรมเนี่อาการผุนห้าเทียก้าวเดินวุนผุนเดินวุ่นเนอาการผุอ น, น, อ, าานอันคิดเช่นนั้นคิดเช่นนั้นมันเป็นคิดอุปจารสมาธิได้หนะทยอนมดกําลังมันก็ะถอนออกคือกระหายนันก็ได้ซ้านั่นแ ห, หละาวันเถอะ อันชั á, a, นาพี lek, ่แน้าอนี้จังทุกครังอานตาพี่นาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเล่าเนี่ยไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นอันนี้มีกาลังหลายเนี่อันนี้มีกาลังร้ายมันมันขามนิดแต่แรท่าพี่แกหนาแบบเนี้ยมันขามนิดแบบมันบอกผัวว่องนนิตดอกพราะนิตอันไหมากมันก็นอบลงใสอันนี้จังทุกครังอานตาหมดแล้วเด้อันนี้มันก็บ่ได้ผวว่งแล้วมันก็บ่กเสดายอยากเขนเที่ยวบุษเปดาพ่ออินพ่อพ่อเหมแล้วบานีมันตัวเสดายอยากเขียนหนังพราะมันกระนอบล่องใสอันนี้จ เพราะมันน่อมลงใส่เป็นตะสักวัลูเป็นตะสากวัลเห็นมาแล้วมันก็บ่าได้ไปคิดแค่นีิมิตใสได่เลยบ้านอันวันนี้ได้วันสิพ้นการที่ง่ายอันมันปรากกดหอวเหินเดินอากาศอันนั้นเอามาอวดกันจีิงขนไม่ซื้อหรอกอันเอามาบอกกันที่ชื่อหรอกอันอันควดมปนจริงนั่นมันสูบพิ่ยังากล่องทุกบ่ได้เฮ้ยมันจะหาอุบายเบื่อนายใข้เมาในบรตดาสงสาร ของก็ลมให้ไกขาอทูอันนี้ว่าได้ไผ่จีวะยังกระซัมือเสื้อหอนมือตายฮ่อจักเป็นสมาธิอบลมปัญญา่จักปัญ้าอบล่มสมาธิละมันละอันในกนอันเดียวกันะท้งกะเที่ยวกับท้องมากมองสัตวเอารวมมันจักมันอันในกอนในหลังเหว่านะจักมันตากอนดังนีดังก้อนตาหรือมันปากก้อนตาเม่จักมันิที่บนเดียวกันเอารวเจ้าวันนั้งกับเนื้อขับเอกกระดูกหน่อจักมันไผก้อนไผ่หลังมัน พยุงกันด้วยสั้นแวมันไฟเป็นกำลังไฟว่างกันมันก็เรีคุ้นคาพอกร่างละว่าปันญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาสร้างฤทสิบปวากระามมันอายุต้องกันมันเอาโลดมันทำเมีนเอาโลดมันทำเมีนในสั้นนั่นนด้แหละสั้นแล้วยากันกระปวะเมียนในสั้นนั่นถือในสั้นนั่นเอว่างเถะ ศีลกัดศีนลงในหันเนี่ยในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิกับตั้งมันในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญากรอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้พุทโธก็เอาไว้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ถ้ามโมกก็ส่งไว้ถึงกรรมฐานที่ตั้งไว้สังโฆกับปฏิบัติกรรมฐานที่ตั้งไว้ปธิบาตคือหุ่เครื่องให้สํเาเร็จความประสงค์สี่อย่างฉันทะวิริยะกิตติมังสา ชั้นทะก็พ้อใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะก็เพียอมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันเก้าน่ะยิตตะเอาใจพระไฟในกรรมฐานที่ตั้งไว้มีมงังสามันที่ต่อพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมารถทิฏฐิเข็ยนชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สังกโปอืมดําริชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ว่าจานึกบริกรรมในกรรมฐานที่ตั้งไว้ กัมมันต์โตการงานในกรรมฐานที่ตั้งไว้ฮะอาชีโเรีง่งซีเวบสอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ฮะวาย่ามโมพยัญามในกรรมฐานที่ตั้งไว้ฮะสติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมันในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงกรรมกแปลกใจมันเดียวกันเมืออันน้ก็่มุนเดียวก็นม่าที่ไป็นใหญคนทิบแล้วมุ่งมันก็มาไหวแล้วอันนั้มมนอันนั้นมันเรี่ยงแบรบมันก็ว่าคนควบชงใช้เลยนี่บอกท่านว่า เขาเหุว่าให้เจ้าของสงสัยเด้เจ้าของสางควบสงสัยใส่เจ้าของว่ามันไปเอาเขาบอกว่าสงสัยแม่วาตาสงสารเหรอปัญหามันก็ว่าร้ายเลยอ้พลอยแม่เลยเออพระชว่านัยกิจญาณเลยแต่ปฏิวัติพ่อมม่จันเพื่อคนทุกข์นมาตาสงสารปัญหามันสี่รายยังไงอ๋มันว่าร้ายแล้วมันวัดไปเองมัน ทัามีโลภมีกรมีหลงก็กแก่จะคลองไรถ้าไม่จะคลองพิจารณาไปทั้งพิษทั้งศีก็แก่ไรเมื่อถึงกับพ่อศีลวงละวมดถึงปล่าลิศีข้าศีเสดียังอ่ะอันที่ขนเห็นไพ่ในวันตาสงสารอย่างทันทีเนี่ยส่วนจีนีย์มันยั่งบ่จบบ่ง่ า, งาปับอาวัตทุกข์บ้างปับอาวัตรายิกตีบ้างอันนี่ก็เป็นธรรมดารดักอันตายิกตีมันก็สีห้างด มันส่วนที่ไปบับบับอาบัตสังฆาธิเศตรือโพลัสิกหรือทุนลใจมันกับโมี่แล้วมันคนเห็นไพ่ในวัดตาสงสารอย่างเต็มทีแต่มันที่ไปรวงอาบัตสุงานอี่ยังหน่อมันบมเห็นไพ่ในวัดตาสงสารอย่างเต็มทีตีมันไปรวงอาบัตสุงานมันคือคเห็นกางเกงล่างขุงผมันคือเห็นนาฬิกาแขนมืดของผมมันกับของไปร่วง มันคือเห็ยนนะกูจิไปข่ายยังสั่งกูจะไปขายาขา ย, ายังเสพุผลกูจะไปสางให้สา่าหน้ายางงังสั่งยังเสพยผลมันก็คืดไปละเขาไม่เห็นอันนี้จังเต็มไปทั่วทั้งใตลโลกระท้เนะนี่ยมีแต่เนียว่ามันโมเทียงจากเนี้ยรับมันเห็นซับแล้วนะมันเห็นมีตะกองทุกซับแล้วออ มันจะไปลวงละเมิดอีนังลวงละเมิดเจ้าของมันจะไปขบวเจ้าขององเนีงยพวกขบวัตเจ้าของนี่ขันควมบอกมาว่าพาวนาลนะคือพระวนาสูงนี่เลยถ้าไปไปตายอยู่บนดำดเนี่ยมันมาตัวเข้าามันบาปตั้งแต่มาตัวผลเพาะมันอยู่ไนะไรเนี่คนทั้งหลายเนะ่ะมาตัวซื้อ เขามเห็นอันนี้จังสัตย์แต่เจ้ามันก็บ้าเสียกแล้วมันจะเสีกไปหายอย่างก็าไม่เห็นทุกข์สัตย์หรอนี่มันโมเห็นมันเอามาตรวเดิซือพ่อในอวดขาบอกก่าโม่หันคนเห็นอันนี้จังสัตย์เห็นทุกข์สัตย์เห็นไตโลกาธาตุเต็มไปด้วยกองทุกข์มั้ล่ะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วมันจะไปเพื่อนน้ำหยั่งแม่ทั้งมันหลง มันก็มีมันมันแก่แก่มันได้คนั้นมันนักมุ้ยกับล้มลงบึมนั่นสิครับหนึ่งสองสามสี่หาวส่กลุกกระสูอโลดมันมันมัถึงสึในหมเขาล่งพญานาบมนถึงทั้งคิบท่านอรรว่าถึงมันผาดมันก็ผาดยางหน่อยห่มันจะผาดยางไงตัวของทานจนสีแก่เม้่อใดผัดจนนับคลิปบ่ลูก มันก็พดไปเานนั้นว่าพระวนาอนิจังทุกครั้งอนันตาเนี่ยห้องบุษย์หอดมือต่ายมันเห็นชัดกจ้างมันก็ไม่ไปเลยในวัตตาสงสารอันนี้ใครจะมาจ้างมันมันเห็นอยังมันกราบกุสิพุทธโทษทกราบสามเที่ก็พุทธโทธทมโม่สังโคกอะมันก็กราบเพื่อพระนิพพานของมันไวนาอกสันเอ มันเสด็ดินจงกรมหอบหนึ่งหนึ่งสี่มันอกดท้ำเพื่อพระเนรพาน้องมันมันกับวไดถ้ำเพื่ออื่นเพื่อบูซ่าพระเนิพาณ์มันมันวัดสิบูซากิเลสมันวัสิบวัดสิบบูซ่าในลับในยอดในสารเสด็จพิสังในวัดตาสงสารภายนอกผืดเจตนาของมันขาดไปแล้วเจตนาของมันขาดจากโลกีไปแล้วขาดปัจากเกจตนาโลกีไปแล้ว เยตนามันยังใช่พรนิพพานเหรอนันมันวุ่ใดก็สร้างมันยังใช่ผลเหรอมองซะหนนาพุทโธพุทโธสอนในยินดีในพระนิพพานสอนในยินดีในการพ้นทุกข์ธรมโมซ่องไม้ซึ่งการพ้นทุกข์ตังโกะแปรวัตถิบัตเพื่อพ้นทุกข์นั่นมันก็ได้คือกันน่ะ พี่เจนาให้นังอันนี้จังทุกครั้งอนตตาจีเยวไปพระนิ่พัด น, นําบอก mm. บอ่พี่เจนาให้มันให้มันเบื่อมันนายแต่มันถอนควบเขาจะพิดท้องจะคล้องหรอถาถอนเขาจะพิษท้องจะคล้องเลยอยากพี่จนาเพาะพี่นากระตมพี่เจ น, า, า, mm. เนาถ้ามันมาเกิดบดับก็ได้อยู่ถ้าถอนควบเขาจะพิษจะคล้องเหรอนี่รถความดับตัณหาเป็นทำมันละเอียด นี่เรียกว่าสมาธิอันไม่มีเป้าไม่มีกองราหน้าลูกสมาธิอั น, นที่นานีโรดความดับตัณหาเป็นธรรมละเอียบสําคัญว่าตัวสลดัดจะางโมปฏิบัติเพื่อผลทุกข์แม่วาตาสงสารจะโมยินดีต่อความผลทุกข์แม่วาสาสงสารนจะว่าสําคัญว่าตัวสลัด อันควมสําคัญตอนนั้นแหะมันคือผ้าให้ท่องเที่ยวตายในวัดตสาสงสารน่านหลวงสันอรรถมันเป็นที่เพิงท่องจะของบาได้คนเท่ามันอาหารทุกคนอาหารต่อควมดีจะของมันจังแมนอาหารต่อควบหวังผนทุกในวัดตสาสงสารจะของค่อยแมนอาหารต่อมลหกอาหารต่อการทองเที่ยวในวัดตสาสงสาร น, น่านงันยังสั่งบาลมีพว ก, ก, การแก่กะ เราของสัตว์อรรถว่าถ้าหวังผลทุกข์ในปัจจุบันนรศาสตขมันบวชผลมันกับบวชผ่ า, านภาษีอเมตไตไปดอกรถญาติก้อนแล้วเออมันบวชผลดอกแล้ ว, วาสัจจังว้นผลบวชผลกับเฮ็ดมังะก้นนกอนไปยังเื่อเพิ่อนอาจารย์ ย่างเกาะบ้านดงบงังอือจากนัองอาจากพ่อมจากพ่อมเขาว่าเม่วัดหลวงปู่มันมายามพ่อมเบื่อพ่ะพระพระเน่นหาไม่มาเฮ็ดด่างไม่ขอรลอกแคลอกุฏีพว ง, ง่ายจักหลังแน่มาสั่น ตัวคำว่าฟันตะสรโตขึ้นไงแล้วอาไรนั่นมาเห็ุไปเว้ยไม่ทอน ด, น, ทดอออนันมันสได้เพราะมเล่าจานี่คนน่อยว่าม่ดเรื่อมาอตัวนึน่งมันคือ่าถึงโม่ใดเรื่อยอันคนอยวดจิตสวคัดคานเลยนะวัดเอามามางสกครนนะผู้สาวเชื่อสื่อหายจิตในทคัดคานเลยนะพู้ส่อวาก็บวดดิ้นีน่คิดกันละ่ะ ววกนนารูปรารถนาพ้นทุกข์ได้คัดข้านเราโอ๊ยมาพ้นดอกเขาว่า mm hmm. พ้นพ้นกับมันเกิดทเียงเจ้าปรารถนาพ้นทุกข์มันมาพ้นทุกข์พระที่จับซัดลงมลหกษัตริก็บ่ mm hmm. เห็นมีในข้าพี่ใดดิพระพุทธเจ้าว่ามจบับภาษาเนี่ยจงปลาลบกันเพื่อให้รุดให้พ้นถ้าปลาลบกันเนีย อ, อื่นจ ง, จงปลาจงปลาลบกันแม้ท่านคนเพี้ยนเพื่อให้มันรุดมันพ้น ตองพูดแต่ป่าลบแต่เรื่องรุดเรื่องผลนาสันเรื่องอยากรุดอยากคนเนาอว่าสันพระพุทธเจ้าสอนไว่อย่างสันนี่ในพระเวไนยในมหาขันในวุฒ้าศิขาไปเบิ่งเิมาว่าโมเมนต์ที่สิป่าลบกันไปทั้งอินเรื่อเรียกว่าที่ละชานักคาถารันป่าลบผืนบ้านผืนเมืองย่างนั่นย่างนี่ไปเนี่ยว่าเป็นพระเทศเ่องอันสำรับเฮ้าเบื่องคู่าอาจารย์แจ้งหนังสือว่มันเฮ้าสงสัยคาสอนพระพุทธเจ้าเลย เพิ่นิเทศไปจังไหววหัเพื่นิไปจังไหนนอพูนี่วางสัตว์หนซงสือได้างเนี่ยมเมนสงสัยพอพูดพระธรรมประสงค์อย่างนี้เหมเนสงสัยข่าวปฏิบัติทเจ้าของเลยนี่หนังสือหลวงพูเทศนี่หนังสือหลวงพุทมหาหนี่หนังสือหลวงพุทธนั่นพันแดงมากพันแดงมาเอามาอ่านมังซือผู้ใดมีววหารไปจังไหผู้ใดมีววหก็กันมาสั่ซือได้อเนี่ยโมเมนสงสัยข่าววัดปฏิบัติได้เหามันเป็นสัว์วะูนี่ทีมีววหันไปจังไหนวางสั์หนซืสือได้อังเนี่ยเขา วุธปฏิบัตินำอาจารย์องค์ไหนเนาะเสีเอบดได้น่ไนนด้สงสัย่านได้เยนี้ยสงสัยว่านี่กัจะว่าเพื่อนสิแตกช้าในธรรมะปานนี้คูบาอาจารย์องค์นี่องค์นี้องค์ไหสิแตกช้าในธรรมะก็กั่น้ารังสือได้เยอเนี้ยวก่านะสงสัยได้เยอะเนี่ยมองท่า น, น, น, ว, น, น, ว, น, นว่าเปื่ซื้อคูบาอาจารย์ผู้ เ, เาาป็นแดงองค์นี้แดงนี่ี่านแปแแถวนี่ องนี้มีหารไปเท้านี่องนี้มีงหารไปเท้านี่ว่าของสัตมนซื้อจรย์สงสัยขอวว่าปฏิบัติของจะคล้องบาหรืสงสัยดิผมก็เชื่อมาว่าว่านี่ละว่าในว่าฟ้องยักษ์เสือนี่ยมันได้เงขั้จักเม็ดตรงนั้นตงเว้น วันหนึ่งเครื่อนเพี่อสองสอ ง, มงสมอ ง, มง่ะสมือรับย่างหลายทุกสุดอ่ะมันเคลื่อนตีซีพุ่นย่างรับตีตีตีสามเกือบถังทีไหมสามกัวสามกัวมารับห น, หนึ่งก็เลยมันตีก็เลยมันหาหุงเมื่อยอยู่เยอยู่วันนก็เลยลูกทอดเข่าควบรับก็ทีไรตกจากสงมงหนึ่งจากสมือ เสมอนี่ยจอาเต็มที่มาแล้วเขาเขาเกี่ยวตัวตายแล้วเสมอเนี่ยเกียมตัวตายแล้วเสมอนี้เหมือนถ้าหาีิเกียมลบนะ่าเงี้ยเกียวตัวตายเพราะว่าอันนี้มันหนุงมันหนุงมันอยู่เขาแก้ไว้แก้ไว้ญาติลูกหลานหยู่กันในอนาคตเช่นนั้นของมีอยู่ในวัดจังไรไหนเขาให้คู่เขาจดย์แล้วพิการไงให้มุ่งตัวจดย์ละ อันนี้อันนีอันนี้อันยุกุญยมีอย่างนีอไดยงให้จทยมดแอย่างนี้จักมีจักขั้นกให้จทจดแล้วอัน น, น, น, นี้มีจักขั้นให้จล่ะเครื่องสางเครื่องก่อสางงีนี่ว่าต่ำกว่าสองแสนเนีเครื่องก่อสางอยู่ในวัดเออแต่เครื่องก่อสางก็คือให้ขาเจ้าจดมัดกันนันตายเขาคืน้าก็ว่าเป็นเพดดอก เนี่ยะมันสิงหง่่่่่่่่หม่ห่่่่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่า่่่่่่่่่ห่่่่่่่่มม่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ตียงอันนี้มันนักและชุบเอาอันนี้พุ่นแตเอาเตียงอันหามหามเนี่ยสีผลมากขึ้นไปแปกไกของฟ้อนมันจะค่อยแข็งลงเสียเกียงแคละล่อหันอันนี้มันชิ่งวะได้เนี่ยเข้าเหตุผลให้กำอะไรเมื่อหล่ะอันซาร่าลังนั้นน่ะมันมาเป็นสีแดงฮะเนี่ยเามีความหมายอันนึ่งนณะเข้ามาทันตายก้อนลูกหลานตายก้อนฮะเนี่ยห้อที่เอาไปไว้หัน จะคลืนสองคืนนรสชาต พ, พ่อเมีมากมันพูดได้พ่อเมยอยู่วันแวงนี่เี่ยกษตรได้ศึกษามันเี่ยแต่พ่อเมีคูจานาันกับเขาโหลดมันพูดได้ยังไมันกษสได้ตายยู่เลยมืห่อเนี่ยบได้มันดีกว่ามันบอกเพื่นตายแต่พันญาติมูหอสกบ่ดีใสบ่ดีเพราะว่าคืออึดเนี่ยวอกพวัวในร่างบ่ดีขีเสแนงเพอาะ่าโว้ยพระพุทธเจ้าวัดวายพระอนุน พระนุ่นพี่น่าคตรตายมือแล้ว่อยข้างพระพทีเจ้าหวัว่าประมาทยกทุกร่ให้ใจเขาออกจังว่าประมาทเพื่นว่าเนี้ยเกิดมาตายก็เกียมตายคุณได้ว่เกียมตัวตายแต่เพื่นนั่นคคตรโง่รักษาสิกุศลสินทานนี่วันนี้เพรว่าเกียมตัวตายนะท่านรักษาสินภานวานาปฏิบัติเนี่ยเกิเรียกว่าเกียมตัวตายเท่านั้นแหะขอท่านอรรถว่า พญายามทำดีโม่เนี่ก็เรียกว่าเกี่ยวตัวตายเท่านั้นล่ะถูกำวนม่เนเกี่ยมตัวตายหันเกี่ยบตัวเป็นมรหกได้หันอ่ะตายพกเป็่นนว่านะพูดอะตายบ่ตายข้าพรวน้าหตายบวกเป็นคนตายเป็นนึงคือตายยังไงตายข้าพรว่าเดียว่าตายเป็นเดียว่าถือตายถตายเป็น ตายพระพ่อวันหน้าตายพรทําคข้มดีตาเวรแทําคข้มดีไว้ตายเน่ามันเป็นยังไงตายเม่นนี่เป็นยังไงตายเดือดห่อนนั้นเป็นยังไงตายเน่าตายเม่นเก็บซบไวลาน่าเดี๋ยกว่าตายเน่าตายเม่นตายเดือดตายห่อนคือตายยังไงขูดพี่ขูดน่องเรียกว่าตายเดือดตายห่อนตายเย็นคือตายยังไงตายบวกขูดไผ่พวเกาไผ่เรียกว่าตายเย็นหรือโจรผู้ไร มันตายแต่มันตายแต่มันเลย้เย็นท่านเนี่ยมันเปเวลาของเขานี่ตายเย็นอีกแบบหนึ่งคือพระรหันตายแต่มามาเกิดเรียกว่าตายเย็นอันนี้เย็นยี่ดีนี่ไอ้ตายห้อนคือตายยังไงตายแต่ผลว่าเกิดอีกโผล่หรอก่าเกิดหมดเอามา่ใจผู้สาวแม่ท่านนี่เรียกว่าตายห้อนท่านแต่แม่ง้อแม่ควายแม่ผู้แม่ข้นแม่นกแม่หนู สารพัดเนี่ยเอาแตมันเป็นอะไรกันเนาะพวกไปมรณะหกพวกไปมรณะหกมันบ่อะไรถือปฏิสนทธิในขั้นพอมีเน้อไปคือนอนฝันเนี่ยพวกไปสวรรค์ก็คือกันพวกไปสวรรค์ก็ไปคือนอนฝันเนี่ยบ่เป็นเป็นตัวเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นปูเป็นข้นไปเองสงละบ่อะไรถือปฏิสนทธิในพอมีเมี ตายบ่มีบัดห้าตายในยเมื่อสวรรค์ก็คือกันตายกับบ่มีก่องพ้อนจูดสุม้มเมื่อสวรรค์นี่ ย, ยังมาเกิดมาแกมาเกี้ยมาตายอีกด้วย<ม>พวกมาโล ก, กมาแกมาเกี้ยมาตายอีกด้วยหกังแล้วพ้นไปแล้วถึงกับพระรหัสจำพวกเดียวพระสวสดาวันเกิดอีกสามเท่ออาก็ตายเกิดอีกเท่านึงตายพวกนึง คนเกิดอีกสามเทือกเขาสู้พญ่าพ่างโตอเกิดอีกแดเทือเขาสู้พพางโอ้เก็ดเทือกหน้าค้ามี่เกิดอีกสามศาสเขาสู้พญ่าพ่างโอ้เกิดอีกหาศาสเขาสู้พญ่าพ่างก็มีเกิดศาสเดียวเขาสู้พญ่พ่างก็มี่จเกิดอวิหาเขาสู่พญ่าพ่านเอวิหาก็มี่จะเกิดอาตปาเขาสูพญ่าพ่านอัตาปาก็มีจะเกิดชุศัทธาเขาสูพญพานส่ยศัทาก็มี่เกิดชูสถีเขาสู้พญ่าพางนี่ยชสีก็มี่ เก nope. ิดเนี่ยอากรนิสกากาเขาสู้พันธุ์านเนี่ยสันอาการนิสกาก็มีจยาพวกนึงเกิดอวิหารออกจากอวิหารไปสุดศกษาไปออกจากชุดกษาไปชุดศีรษออกจากชุดศีษะไปอาการนิสกากนนี้นิพ่านนะครับอาพวกนึงอวิหารรมอัตตาไปไปชุดศกษาไปชุศีรษไปอาการนิสกาไปนิพ่านบางจลพวกชุดกษาชุดศีษะก็ับไปไปอาการนิสกากลดก่นิพ่านหันรดแล้วสกมี แต่ัพวกรัพวกหนึ่ก็มีจังานสิบอสั่งพสวดาบันก็คือกันช่าเผดิงนเดช่เห็นวันยูมีแต่ในมนุษย์โลกวันเดียวมันกับพอหาพอแห่แดงอวะอีพออีเมกะเยบุญอิบันยูเออบุอึอบวสิไปไหมไปทั้งดีไปทั้งดีกับบุอบวัสิไปก็บมีหลายบอนอยู่บ้นดีที่สุดก็คือพรนิพพาน ว่าสันา่เนเหรอจิงเจ า, าัด ท, านนท่าเ้าเข้าหูจ้าเขาจังัดท่นใดเลิงเจาอนุโมทนาเขากจาเ้ามัานงอนุโมทนาดเลอันนี้รหายกินทัท่านนาเดียวก็บอะไ ห, หากินท่อนุโมทนานาเดียวกับอะไรผมก็เข้าใจนั่กับี่แต่โอ้ทอนนี้เ <c oughs> ขเหมาองเพิ่นหมดแล้วพิกก็พลิกก็หมเพิ่ น, นล บอกพระเจ้าพระสงฆ์กั น, นพสามาถิทัศินเ น, น, นี่ยทัชินเน่ยจเ่งว่ามีส่วนทางเปเส้นตเปิดเส น, สสน่ะแล้วมันถือถือง น, นอะรอาวนั่นหละหนอีกแล้วกันทางนี้เมือม่อ่กันน้าเน อ่ม oh.